ข็อความเจริญในธรรมจุมงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่ลมพระโพธิญาณได้นำเสนอสุบินของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะสัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาตามลำดับมาถึงข้อที่สี่วันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายในข้อสุดท้ายนั้น บอกว่าข้อที่ว่าตถาคตเดินไปบนกองอุจระใหญ่เหมือนภูเขาอุจจระไม่เปื่อนเลยนั้นเป็นมหาสุบินข้อที่ห้าเพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตเป็นผู้มีลาบบริวารคือจีวรบิดบาเสนาสะนะและกิลานาปฏิยปสัต์แต่ตถาคตไม่จมไม่ติดไม่หมกใจในลาภนั้น เมื่อบริโภคก็บริโภคด้วยความเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องออกพ้นไปจากทุกได้ประเด็นตรงนี้ต่อมาเราก็เห็นว่าเป็นความจริงแล้วก็จริงก็มากๆกเพราะว่าลาบส ก, การาที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเป็นอนเนกอั น, นันท์จริงๆแม้นนในปัจจุบันถ้าเราเทียบสมบัติทั้งหลายในโลกนะฮะ เราเจนว่าสมบัติในศาสนาจักรนั้นจะมากไม่ว่าศาสนาจักรไหนก็ตามนะฮะจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นพราหมณ์เนี่ยจะมีสมบัติจํานวนมหาศาลจะคิดเป็นเงินออกมาแม้แต่เมืองไทยเราเองนะฮะเราคิดว่าโบราณวัตถุโบราณสถานทรัพย์สมบัติต่างๆทั้งสังหาริมาทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ ในวัดวารามต่างๆเนี่ยจะมีจํานวนมากได้เกินแม้แต่ว่าสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบันเราลองดูนะฮะว่าเช่นว่าการสร้างโบสถ์ชิวัดโสธรจังหวัดเชียงสาวการสร้างธรรมกายเจดีย์ของวัดระธรรมกายหรือการสร้างเจดีย์สีีสานที่จังหวัดร้อยเอ็ดอะไเนี่ย เป็นเ ง, เงินมหาศาลจริงๆแต่ก็เป็นปานรวมพลังคือถ้าเราย่อยเป็นหน่วยปัะเจกชนก็จ่ายไปไม่มากหรอกแต่ว่าเมื่อคนจำนวนมากได้แสดงพลังทางศรัทธาเลื่อมใสลงไปก็เกิดผลประโยชน์จำนวนมากมายมหาศาลแต่พวกนี้ เราต้องมองในแง่ของปัจจัยเครื่องอาศัยในการดารงชีวิตคือถ้าเราให้ความสำคัญแก่เขามากก็เราก็เป็นอันตรายหลักการในศาสนาที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยคือพระสงฆ์เป็นอนาคาริกคือเรียกว่าไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหลง่ง ตามตัวแบบนกขมิ้นเหลืองอ่อนคําไหนก็นอนนั่นแต่ว่าเงื่อนไขที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมันถูกบีบบังคับด้วยกฎหมายของบ้านเมืองคือทําให้พระต้องอยู่ประจำชี้แล้วก็บังคับเอาอย่างแรงนะฮะปัจจุบันได้บังคับอย่างแรงพระที่ไมได้สังกัดวัดใดวัดหนึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแรง กฎหมายบังคับให้สึกเลยคือเราเจะเห็นว่าเป็นการทําลายสถานะภาพของความเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาค่อนข้างหนักแต่คนที่ออกกฎนี้ก็เป็นพระเองก็ไม่รู้จะว้ยอย่างไงคือกฎหมายเพียงแต่กําหนดเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยตัดสินแต่ว่าพเราออกกฎขึ้นมาก็ออกกฎค่อนข้างแรงไป ่ส่วนอีกสองข้อคือล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอา จ, จินเรียรับนิยกรรมแล้วไม่ยอมรับนิยกรรมนั้นก็ช่างเถอะมันก็เป็นเรื่องของวินัยแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยการไม่สังกัดวัดใดวัดหนึ่งกับการไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งโดยเฉพาะไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ยแบบป้องพระเลยเนี่ยก็เป็นนกมีปีกที่เหินบินไปโดยไม่ล้องติดอยู่ในอะไรเราเช่อว่า โครงสร้างดั้งเดิมก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าพระเองก็เป็นประชาชนภายในชาตินะฮะกฎหมายก็ออกบังคับไว้ยังไงก็ต้องประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นลาบจ า, กการะที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเราดูตัวอย่างสั้ น, น, นใๆใกล้ๆว่ามาถึงเผยแผ่ศาสนามาถึงกรุงราชศึก์นี่ พระเจ้าพิมพิสารถวายอุทยานเวฬุวันให้เป็นพระอารามครั้งแรกในพุทธศาสนามีอาณาบริเวณกว้างขวางมากเป็นสวนหลวงเป็นอุทยานหลวงแต่ว่ามีพื้นที่สามส่วนส่วนด้านในเป็นที่เรียงนกยูงคือไม่ได้ถวายหรอกแต่ว่ า, ข, าข้าพักผ้าอายได้ สัตว์มันอยู่เยอะแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นที่ทิ้งป่าช้าผีดิบเรียกว่าสีตะวันด้านหนึ่งก็เรียกว่ากาลันตาการนิวาปสถานเวลุวันกาลันตากานิวาปสถานเป็นป่าไม้ไผ่เป็นที่ให้อาหารแก่กระแตคือสัตว์ที่ไม่ค่อยตื่นกลัวอะไรมากนะก็พระเข้าไปอยู่ได้แล้วก็ระยะไม่นานเนี่ย ร, จราจากระเศรษฐีถวายที่พักของพระวันเดียวนะฮะก็เรียกว่าสร้างแบบประดมให้เสนาสนะถึงหกสิบหลังสร้างถวายแล้วต่อมาไม่นานเนี่ยนาตบินเดกาศเศรษฐีสร้างประเชตะวันถวายห้าสิบสี่โกดนะ จะคิดเป็นเงินไทยปัจจุบันในมหาศาลมากและยังเนื้อกว่าสร้างวิทยาลัย ไ, ได้ต้องวิทยาลัย ร, รือทำไปสร้างวัดใหญ่ได้วัดหนึ่งนั่นคือแสดงถึงพลังศรัทธาที่บีต่อพระพุทธเจ้าลาบสการะหลังไหลคือบางทีเรานึกภาพไม่เคยออกโอทำไมมันมากมายก่ายกองอย่างนั้น ว่าพระสงฆ์พระพุทธเจ้าสเสด็จไปที่ไหนเช่นสมมติว่าพระเป็นห้าร้อยเนี่ยไปจำนวนห้าร้อยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ลองนึกดูนึกดูสมมติว่าจังหวัดไหนก็ได้แม้แต่กรุงเทพเองพระเข้าโครูมาถึงห้าร้อยออกบินบาบเนี่ยหือาการบ้านเมืองมันไม่เหมือนกันนะยุคสมัยพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่คนนักถือพุตทั้งหมด แต่ของเราในเปอร์เซ็นต์พุทธสูงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าราบลงมาห้าร้อยแล้วก็ยากที่จะบินระบาดได้เต็มหมดทั้งห้าร้อยนอกจากว่าเป็นการประกาศข่าวล่วงหน้ากันแต่บ้านก็เสียมเนื้อเสียมตัวนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต ก, การเสด็จของพระเจ้าแต่และคราวนี้เสด็จไปเผยแผ่าศาสนามีพระตามเป็นบริวารเป็นร้อย บางคราวก็เป็นพันธะฮะเราลองดูต้นต้นตอนต้ น, ตนที่ตอนปุราณนะ ด, ดินตามเสด็จเนี่ยเสด็จเข้าไปถูกกรุงราชครืดมีพระสงฆ์เป็นบริวารหน 1, ึ่งพันรูปนึกดูว่าอยู่ยังไงอาบน้ำที่ไหนฉันข้าวที่ไหนบินธบาะยังไงลองนึกดูว่าคนเข้าไปพวดเดียวพันประชาชนเลี้ยงดูได้เนี่ยแสดงว่าบา ร, รมีมหาศาลมากฮะ คนเหล่านั้นเลี้ยงดูได้เต็มที่แล้วก็อีกไม่กี่วันเพิ่มกันอีกสอง้อห้าสิบกรุมสาริบุตรบิณะบาตแถวนั้นประชาชนซึ่งพระพุทธศาสนาเพิ่งเข้าไปเนี่ยแต่คนสถาเลื่อมใสแล้วก็ทำบุญตักบาตแล้วก็เลี้ยงพระจำนวนพันสองร้อยห้าสิบรูปได้และในขณะเดียวกันพระเพิ่มขึ้นทุกวันในตอนที่เสด็จประทรับอยู่ที่พระเวรุวันนั่นแหละทางกรุงกับบิลพัตนส่งคนมาเนี่ย มาบวชทีละพันทีละพันทีละพันเราลองนึกดูเออเลงว่าหมื่นกว่าองค์บ้านเมืองสมัยนั้นเนี่ยคนรักเท่าไหร่ร้านจำนวนขนาดนี้เนี่ยต้องใช้คนตักบาตรอย่างกี่คนก็ตักบาตรก็เรียกว่าตักกันธรรมดานะ่ะคนรทัพพีอะไรแต่ละทัพพีสองทัพพีเราแสดงว่าจำนวนคนเนี่ยทาบุญตักบาตรจานวดมหาศาล แล้วในที่บางแห่งในท้องถิ่นบางแห่งอย่างเสด็จไปกรุงก บ, บิลพัฒน์แต่ยิงชัดเจนเลยอะโหัวสองหมื่นนะฮะมายัางนั่งนึกอนึกกับเอพระสองหมื่นเนี่ยไม่ใช่เล่นนะพักที่ไหนอาบน้ำที่ไหนบินทะบาทที่ไหนกินอยู่กันยห่งหญแม้แต่ที่พักนี่เราก็นึกสาหัสแล้วแสดงว่าก็กระจัดกระจายกันนอนทำแล้วก็นึกว่ากฎนี่สมัยนั้นไม่มี แต่ว่าท่านก็อยู่กันท่านได้แต่นึกดูว่าฤดูบางฤดูเนี่ยท่านอยู่ยังไงฤดูฝนเนี่ยท่านอยู่ฤดูหนาวนะฤดูฝนเนี่ยพอทำหนาฤดูฝนมันไม่นานนะอินเดียเนี่ยดูหนาวนี่เนี่ยนานมากเลยตั้งแต่แถวตุลาไปโน้นแถวมีนาเนี่ยฤดูร้อนอนี่ร้อนตับจะแตกเลยพระที่โดยเสด็จพระพุทธเจ้าไปกรุงกบิลละพัทเนี่ย เสด็จเดินทางวันละหนึ่งโยธอย่าลืมมาพระตามสองหมื่นเลียงดูกันยังไงแต่ละจุดเนี่ยพักกันยังไงนอนกันยังไงฉันข้าวกันยังไงแต่ละอย่างนี่มีปัญหาหมดเลยคือจนเป็นเรื่องที่ทึ่งถ้าเราคิดในแบบวิชาการจริงๆนะ่คิดภาคสนามจริงๆ ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์มากว่าพระพุทธเจ้าสามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาด้วยมือเปล่าที่อยู่ก็ไม่มีนะไม่มีอะไรรองรับพระที่เข้ามาบวชเลยแต่สามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้มั่นคงภายในเจ็ดเดือนเท่านั้นเองโดยลำพังตรงเองนั่นคือแสดงถึงอะไรละ่ะโลกรอคอย ชาวโลกนี่รอคอยอรหันต์แมาสมบัสมุทธเจ้ามานานแสนนานเลยกันพอเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยชาวโลกก็เพิ่มพูนศรัทธาประสาธละลงไปแต่ที่ยังยกตัวอย่างว่ามีราพบในหลายแห่งนะว่าพระไปเป็นกระบวนประมาณห0 0รอยเนี่ยโคดพวกขอทานพวกขอกินเดนทั้งหลายนี่ตามไปก็พอกๆกัน แล้วก็ที่น่าทึ่งก็คือว่าอาหารพวกกินเดนกินยังกินเหลือเลยก็เลี้ยงพระแล้วเนี่ยเลี้ยงพระพระฉันไปแล้วพวกกินเดนกินอาหารยังเหลือเลยยังไปให้สัตว์ได้แล้วจนต้องมีวินัยขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าพวกลาบสักการะมันเมื่อมันเกิดแก่พระพุทธศาสนามากแล้วโบดนอกศาสนาก็ขาดแคลน การแครนลาบสาการะชื่อเสียงต่างๆพระพุทธเจ้าต้องกำหนดเป็นวิ น, นียร์เให้พระเราช่วยสงเคราะห์น้องบวดนอกศาสนาลาบสาการะเหลือเฟือจริงๆเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ามันเหมือนกับเดินไปบนกองอุจจาระจำนวนหม า, าสาลแต่เท้าไม่เปื้อนเนะี่ยลาบสาการะเกิดขึ้นทุกเรื่องนะฮะทั้งอาหารทั้งที่อยู่อาศัยทั้งเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนุ่งห่มในช่วงกลางๆมาเนี่ยมีคนถวายภ้าพระพุทธเจ้าบางผืนนะคบเป็นแสนนะสุดยอดของผ้าที่ว่าเป็นราชูปับพวกทีเดียวถวายพระพุทธเจ้าสงบท้ก่อนบรดิพานไหมผ้าคู่สิงคีวันนะเป็นคู่ละผืนละแสนนะเอามาถวายพระพุทธเจ้าเป็นพลังศรัทธามันก็แสดงให้เห็นถึงว่า ความรู้สึกที่ประกอบด้วยศรัทธาเนี่ยมันทาหน้าที่ขจัดอสัตยะคือความไม่เชื่อมีกำลังเพิ่มขึ้นไปขจัดความเคลือบแคลงสงสัยมีกำลังเพิ่มขึ้นไปขจัดโลภะหรือตัณหาเพราะฉะนั้นสมบับท่านที่เรามีศรัทธาล้วสามารถสละได้และเป็นสุขจากที่ได้ให้ท่าน จนถึงกับเคยจัโทษะคือท่านจะดุจะดา่าจะตาหนิจะทุ้งติงจะห้ามปรามจะอะไรก็ตามแม้แต่ลงโทษเนี่ยจะไม่โกรธจะรู้สึกสำนึกผิดแล้วก็สำนึกคุณท่านที่ท่านลงโทษที่ท่านตาหนิที่ท่านดุดา่าที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนเพราะนั้นพลังศรทัทธามันก็แสดงให้เห็นว่า เป็นตัวนำชีวิตของาศาสนกไปสู่ผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธภาสิที่สุดทรงแสดงรับรองผลของศรัท ธ, ธาเอาไว้เช่นศรัท ธ, ธาสาธุปฏิทิตาศรัท ธ, ธาตั้งมั่นแล้วให้สมเร็จประโยชน์ศรัท ธ, ธาดุดิยาปุริสสาโหติศรัท ธ, ธาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของคน สถาบันติติปาเถอย่างสัทธารูปรวมไว้ซึ่งเสเบียงคือกุศลแล้วก็ปล่อยเรื่อยไปจนถึงสัทธายตริติโอคังบุคคลจะข้าบ่วงน้ำคือสังสารวัตได้เนี่ยด้วยพลังของสัทธาปัญประสุบินนิมิตจึงเป็นบุพนิมิตที่เชีให้เห็นความจริงแล้วลงตัวอย่างนั้น พอันตรามองว่าเราก็เจอคำถามบ่อยนะคาถามที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องสุบินตอที่ได้ยินมาเขาเรียกเทพนิมิจิตสังหรณ์จิตนิวอนจิตเข้าสู่ผวังอะไรก็หลายๆอย่างแล้วก็ในอัตกถาก็ว่าทำนองนี้แต่ว่าไม่ใช่ตัวตรงๆเพราะน่าจะตีความแล้วใครเป็นคนตีใครเป็นคนแก้กฝันตรงนั้น แต่เราลองสังเกตว่าเพราะโพธิสัตว์ไม่ฝันพร่ำเพรื่อเพราะการฝันเนี่ยคือถ้าจิตใจเราดีเนี่ยเขาเรียกไม่ฝันลา ม, มกุกถ้าฝันก็จะฝันเรื่องดีๆแต่จิตใจเราไม่สงบจิตใจเราฟุ้งซ่านเนี่ยอาจจะฝันอะไรอุตรุ่ไปหมดแล้วก็เอาเรื่องเอาราวอะไรไม่ได้ผลสิ่งเหล่านี้ที่น่าสังเกตก็คือว่าบุคคลเหล่านั้น ที่เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ทำบุญดับศรัทธาแต่ปัญหาสำคัญของผู้รับลักษณะของผู้รับเนี่ยที่ทรงแสดงพระพระองค์เป็นแบบนะว่าแต่ตถาคตไม่ติดจมไม่หมกใจในลาบนั้นหมายความว่าไม่สยบติดอยู่กับลาบสาการะชื่อเสียง บางทีเนี่ยในรั้วในวังพวกเศรษฐีมาเศรษฐีเนี่ยเขาต้องการให้พระพุทธเจ้าไปเสวย อ, อยู่ที่บ้านที่ในวังตลอดไปเนี่ยไม่เอาไม่รับตถาคตเป็นผู้อนุเคราะห์โลกคนทั้งหลายก็ต้องการจะทําทบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วก็คนไปผูกขาดพระพุทธเจ้าเอาไว้เนี่ยไม่ได้พระเจ้าไม่รับการผูกขาดของใครเป็นผู้อนุเคราะห์โลกตัวทั่วไป ซึงชัดเจนนะฮะว่ามันเป็นการสะท้อนความบริสุทธิ์ภายในพระไทยของพระองค์ลาบส ก, การะนั้นมันเป็นดาบสองคมคเรียกสการโลการบริสาังขันติส ก, การะเนี่ยเป็นแต่ข้าคนชโชดๆคือถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันเนี่ยมันก็เป็นนายเราแล้วบางคนก็อยากได้อยากมีอยากเป็นจนเยอะไปหมดเลย ก็กลายเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสมนเพศเนี่ยสมกมุ่นซ้าสยบติดอยู่กับล่าสการะโ อ, อ้อย่างเดียวในขี้เกียจตายแล้วมันเป็นอันตรายแบบเจรเนะเข้นจระเข้นั้นฆ่าง่ายหลอกให้กินเอาลูกฟักต้มให้สุกแล้วก็โยนให้กินแกโกหกก็ไปแก ก, ก็กินเนะกินตายง่ายๆ คนคนที่ตามใจปากตัวเองเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความบวดหยาบไม่ได้เ่ยท่านยังบอกว่าอันตรายแบบจระเข้แต่พระพุทธเจ้านั้นจะไม่จมอยู่ในลาบสกราร่าเหล่านั้นไม่ว่าจะดีพิเศษยังไงก็ตามอาหารนะั้นไม่จะดีพิเศษยังไงอย่างนั้นอย่างนั้นนะฮะมันอยู่ที่เราปักใจก็มาเคยเคยสังเกตญาตโยมคนที่คุ้นๆ ก, กั น, น, น, น, นกันนับเคารพนับถือกัน ข้อของชั้นยอดยอดมาให้เนี่ยนกะ็อบอกนิดดีที่สุดไอ้นั้นอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มีเจอบ่อยแต่เราก็เกรงใจเขาอ่ะจริงๆมันก็ไม่เห็นมันพิเศษอะไรนะนก็ธรรมดาธรรมดาของธรรมดาธรรมดาเราไปหลอกลวงเราไปอุปาทานขึ้นมาเฉยๆเห็นคนเข้าคิวซื้อของที่วัดวรเนี่ยใกล้ๆวัดวรเนี่ยมีหลายจุดนะที่คนเข้าคิวซื้อของกันเป็นแถวเนี่ย เราบอกวันดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคนก็ซื้อมาถวายเราก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรกันมาก็อ ย, างง อ, อย่างนั้นเองี่ยนะเพราะงั้นแสดงว่าถ้าเราพยายามรู้เท่าทันมันโดยเสด็จรอยขคนบาทพระพุทธเจ้าเนี่ยบริบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเสด็ดรอยเพื่อประดับประดาตกแต่งเพื่ออ้วนเพื่อพีเพื่อแสดงสถานะอะไรแต่บริโภคก็เพื่อให้ กระจาดความหิวเก่าออกไปป้องกันความหิวใหม่เอาไว้ร่างกายมีกำลังมีเรี่ยวแรงสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้ก็พอแล้วไม่ต้องไปติดใจอะไรมับ้างมันก็อยู่ได้อยู่นั่นแหะเพราะในการไม่ไม่สยบติดอยู่ตรงนี้เป็นลักษณะของจิตที่สงบเย็นจริงๆเพราะตามปกติแล้วพวกพวกเราเนี้ยนะ่ะพวกในพฤติกรรมมังคุะ พวกกามคุณพวกเพศตรงกันข้ามพวกวัตถุกรรมพวกเพศตรงกันข้ามพวกอาหารก็คือวัตถุกรรมนั่นแหละแล้วนะลพวกอารมณ์ที่กระแทกกระทันใจที่สูงอุปมาอุปเป็นไผ่นะไผ่เมือนก็คลื่นไผ่เหมือนก็ น, ำน้ำวนไผ่เหมือนจระเข้ไปเหมือนปลาฉลามร้ายเนี่ยก็ได้แก่การที่จิตใจอ่อนไหวไปด้วยความรักความช่างในอารมณ์ทั้งหลายไผ่คือคลื่นเนี่ยอ่อนไหวไปได้วยความช่าง ไยคือวางน้ำบนเนี่ยอ่อนไหวไปได้วยความรักไฟไฟคือจระเข้เนี่ยอ่อนไหวไปได้วยแรงตะกรตะกราบไยคือปลาลายเนี่ยอ่อนไหวไปได้วยแรงของกรารมราคะอย่างเดียวก็แย่แล้วนะฮะถ้าอย่างเดียวก็แสดงว่ามีท้กอย่างก็คือมีหมดพระเจ้าทรงเข้าถึงความบริสุทธิ์ที่แท้ จ, จริงเป็นการบริโภคด้วยความเห็นโทษ มากเกินไปก็เป็นโทษน้อยเกินไปก็เป็นโทษกำหมัดพอใจติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารเนี่ยก็เป็นโทษแล้วก็มีปัญญาเข้ากรรกับด้วยความรู้สึกว่าปัจจัยสี่นั้นเป็นเครื่องอาศัยก็เรียกว่า น, นิสัยคือเป็นเครื่องอาศัย อาศัยในการประพฤติปฏิบัติเป็นคำสอนที่ทรงกําหนดเอาไว้ว่าให้สอนพระที่เข้ามาบวชตั้งแต่ต้นๆเพื่อให้รู้เท่าทันทังความจริงมีปัญญากํากับในการเกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งสี่อย่างเครื่องนุ่งห่มเนี่ยมันก็มุ่งที่ขจัดเหลือบยงลมแดดหนาวร้อนทั้งหลาย ปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดที่ท่านเรียกว่ายังความละอายให้กำเริบคือทําไม้ปกปิดแต่มันเป็นเรื่องที่น่าละอายเราก็ปกปิดเพื่อจะให้สามารถครองชีวิตยอยู่ได้ตามเหมาะตามควรไม่ใช่ต้องการรู้ราวกุ้้ากุงเฟย อ, อะไ ร, ระวันสุบินนิมิตทั้งทั้งห้าข้อข อ, ของของพระพุทธเจ้าที่ว่า ทรงนอนหนุนเอาเขอปะสุมเมนนะฮะเขาวิเมื่อวันเป็นหมอนแล้วก็พระบาทซ้ายขวาพาดลงในหมหาสมุทรทั้งสองด้านตะวันตกตะวันออกแล้วก็พระบาทเนี่ยพระหัตนะพระหัตต์ซ้ายขวาเนี่ยก็จูบลงมหาสมุทรด้านตะวันตกตะวันออกพระบาทก็ลงด้านสมุทรด้านทักษิณด้านใต้ แล้วก็ยาดคางงอกขึ้นบนสะดือสูงจะรดท้องพ้านอนมีสีสีขาวหัวดําคลานขึ้นมาเต็มเท้าแล้วก็นกสีจําพวกเนี่บินมาเกาะที่พระองค์แล้วก็กลายเป็นสีขาวทั้งหมดตลอดถึงว่าพระองค์ลุยไปบนกองอุจจาระแต่ว่าก็ไม่ได้แปดเพื่อนในกองอุจจาระเป็นบุตรปนิมิต ท, ที่บ่งบอกว่าพระองค์จะได้ศัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ มีคนเคารพนับถือมากแผ่ธรรมะแผ่ไปสารขึ้นไปถึงพรหมโลกแล้วก็คนทั้งหลายนั้นก็จะเข้ามาเคารพนับถือพระองค์แล้วก็สลายพวกวันหน้าต่างๆออกไปลาบสการะต่างลาบสักรากระชื่อเสียงความเคารพนับถือถต่างๆก็จะเกิดขึ้นมากมายหลายกองแต่พระองค์จะไม่กำหนัดยึดติดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นและการต่อมาก็เป็นจริงตามนั้น ทั้งฟังทั้งหลายแต่ร่มประสธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไปบูรณในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี